จากนั้นก็นั่งปนมือปนมือก็อธิษฐานจิตนะด้วยปุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาตลอดไตรามารส3ามเดือนขอให้ข้าพเจ้าดวงตาเห็นธรรมหรืออย่าได้มีอุปสรรคนานัปการในชีวิตให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิตลอดไปตอนนี้ไปเราจะหลวงพ่อจะพาวานนาโมกอนนะนาโมตัสสะ กวัตถุอรหตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควตอรหตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ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 แต่ถ้าว่าประมาทไปแล้วก็ยังทำซ้ำซากคิดซ้ำซากอันนั้นแปลว่าประมาทแบบซ้ำซากใช้ไม่ได้ไม่ใช่ปาดเป็นภาละช น, เ ป, นเป็นโมเป็นโมคะเป็นโมคะพิกษุโมคะบุรุษเป็นคนที่ไม่ดีในหลักของพุทธศาสนาพราะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้จารวมระวังในเมื่อ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 เอวังโฮตุเอวังโฮตุโยจะปุเบปมัชิตวาปัจชาโซนปรมมัตสติโซมังโลกังปพาเสตีอภ า, ามุตโตวจันธีมาอภิวาธนสีริสณิจังบุษธาปัจจายิโนจัตตารธรรมาวัทานติอายุวันโนสุขังภาหลัง